พระเจ้าจุลณีตรัสคุกขามพระเจ้าวิเทหราชอย่างนี้แล้วทรงทำในพระหฤทัยว่าเราจะจับเป็นพระเจ้าวิเทหราชให้ได้ในบัดนี้จึงทรงเตือนช้างพระที่นั่งด้วยพระแสงขออันประดับเพชรแล้วตรัสสั่งเสนาว่าพวกเจ้าจงจับจงทาลายจงแทงเสด็จถึงอุปการณครประหนึ่งจะถมทับเสีย ลำดับนั้นบุรุษทั้งหลายที่มโหสถวางไว้ก็พาพวกของตนแวดล้อมมโหสถไว้ด้วยคิดว่าใครจะรู้อะไรจักมีขณะนั้นพระโพธิสัตว์ลุกจากที่นอนอันเป็นสิริชำระร่างกายแล้วบริโภคอาหารเช้าประดับตกแต่งตัวนุ่งผ้ามาแต่แคว้นกาสีราคาตั้งแสน พมรัตตะกรมพลเฉียงอังสาถือไม้เท้าทองที่สำหรับใช้อันหนึ่งซึ่งขจิตด้วยรัตนเจ็ดสวมรองเท้าทองเหล่าสตรีที่ตกแต่งแล้วดุจเทพอับสนพัดอยู่ด้วยวาละวีชนีเปิดสีหะบัญชนบนปราศาส์ซึ่งตกแต่งแล้วแสดงตนแด่พระเจ้าจุลณีเดินกลับไปกลับมาด้วยลีลาดังเท้าสักกะเทวราช ฝายพระเจ้าจุลณีท่อพระเนตรเห็นสิริรูปอันอุดมของมโหสถก็ไม่สามารถจะยังพระมนัดให้เลื่อมใสเร่งใส่ช้างที่นั่งเข้าไปด้วยทรงคิดว่าเราจกจับมโหสถให้ได้ในบัดนี้มโหสถโพธิสัตว์คิดว่าพระเจ้าจุลณีนี้ด่วนมาด้วยทรงสําคัญว่าเราได้ตัวพระเจ้าวิเทหราชแล้วในที่นี้เอง ช่อรอยจะไม่ทรงทราบว่าเราจับพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีของพระองค์ทรงถวายแด่พระราชาของพวกเราแล้วฉะนั้นเราจะสำแดงหน้าของเราให้เช่นกับแว่นทองแล้วกล่าวกับพระเจ้าจุลณีพระโพธิสัตว์ยืนอยู่ที่หน้าต่างเปล่งเสียงไพเราะเมื่อจะกล่าวเย้ยหยันกับพระเจ้าจุลณีจึงทูลว่า พระองค์ด่วนสายช้างที่นั่งตัวประเสริฐมาทำไมหนอพระองค์มีพระหฤทัยร่าเริงแล้วเสด็จมาคงจะเข้าพระทัยว่าทรงเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วขอพระองค์ทรงลดแร้งธนูนั่งลงเสถิดทรงทิ้งลูกธนูเสถิดทรงเปลื้องเกราะอัน ง, งามชดช่วงด้วยแก้วไพยทูลแก้วมณีนั่นออกเสียเถิด บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าช้างกุญชรังได้แก่ช้างชั้นเลิศคาว่ามีพระหฤทัยร่าเริงปะหัตถรูปโปความว่ามีพระหฤทัยร่าเริงแล้วยินดีแล้วคือทรงโสมนัสคาว่าสเสด็จมาอาคมัมมะสิได้แก่สเสด็จมาคําว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้ว ลัทธทัตโธตมิความว่าพระองค์เข้าพระไทยว่าเรามีประโยชน์อันสำเร็จแล้วคือความปรารถนาของเราถึงที่สุดแล้วคำว่าจงลดแล่งธนูนั่งลงเสียเถิดโอหะเรตังความว่าพระองค์ทรงนำลงคือเอาลงคือทิ้งธนูกล่าวคือแล่งนั่นเสียประโยชน์อะไรด้วยธนูนั่นแก่พระองค์ คำว่าทรงทิ้งเสียเถิดปฏิสังหาระความว่าจงนําออกประทานแก่ผู้อื่นหรือเก็บไว้ในที่มิชชิดพระองค์จะใช้ลูกธนูทําอะไรคําว่าเกราะจํามังความว่าแม้เกราะนั่นก็โปรดนําออกเสียเพราะเกราะนี้พระองค์ทรงสวมตั้งแต่เมื่อวานโปรดทิ้งเสียเถิดอย่าให้มันเบียดเบียนพระวรกายของพระองค์เลย อย่าทำพระวรกายของพระองค์ให้ลำบากเลยโปรดเสด็จเข้าพระนครของพระองค์แต่ชเช้าเถิดพระโพธิสัตว์ได้ทำความเยยอหอยันพระเจ้าจุลนีดังนี้พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับคำของมโหสถแล้วตรัสว่าบุตรคฤหบดีนี้ทาการเยยหยันเราวันนี้เราจะครุกิจที่จะพึงทำแก่เจ้า เมื่อทรงคุกขามโมโหสดตรัสว่าเจ้ามีผิวหน้าผ่องใสและยิ้มแล้วค่อยกล่าวถ้อยคำความถึงพร้อมแห่งผิวพรรณเช่นนี้ย่อมมีในเวลาใกล้ตายบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าและยิ้มแล้วค่อยกล่าวถ้อยคำมหิตะปุพพันจะพาสสิความว่าเจ้ายิ้มแย้มก่อนแล้วกล่าวภายหลัง ชื่อว่ากล่าวถ้อยคำเคยยิ้มแย้มเจ้าไม่นับเราในเรื่องอะไรๆคำว่าย่อมมีโหติโขหความว่าธรรมดาความถึงพร้อมแห่งผิวพันเห็นปานนี้ย่อมมีแก่คนในเวลาใกล้ตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผ่องใสวันนี้เราจะตัดศีรษะของเจ้าแล้วดื่มชัยบาล ในเวลาที่มโหสถทูลกับพระเจ้าจุลนีนั้นอย่างนี้ฝ่ายพลนิกายเป็นอันมากได้เห็นสิริรูปแห่งพระมหาสัตว์จึงได้ไปสู่สำนักของพระเจ้าพรหมทัตด้วยคิดว่าพระราชาของพวกเราทรงปรึกษามโหสถตรัสอะไรกันหนอพวกเราจะฟังพระดำรัสและถ้อยคำแห่งพระราชาและมโหสถฝ่ายมโหสถบัณฑิต ได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าจุลนีแล้วคิดว่าพระเจ้าจุลนีไม่ทรงรู้จักเราว่ามโหสถบัณฑิตเราจกไม่ให้ฆ่าเราได้คิดชะนี้จึงทูลว่าความคิดของพระองค์กระจายแล้วพระเจ้าค่าเรื่องที่พระองค์และเกวัตตะคิดด้วยใจไม่เกิดแล้วแต่เรื่องที่กล่าวด้วยปากเกิดแล้ว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 เสด็จข้ามคงคาไปแล้วแต่วันวานนี้เมื่อพระองค์จักติดตามไปก็จักตกสู่ความลำบากเหมือนกาบินไล่ตามพระยาโหงฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้มีพระดำริกระจายไปทั่วแล้วพินมันโตสิความว่ามโหสดกล่าวว่าพระองค์อย่าได้เข้าพระหฤรุไทยว่า ความคิดของพระองค์ที่ปรึกษากับเกวตตะในห้องสิริสายานั้นไม่มีใครรู้ความคิดนั้นข้าพระองค์รู้แล้วก่อนทีเดียวฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีพระดําริกระจายไปทั่วแล้วคําว่าพระองค์จับไม่ได้หลอกทุกขันโหหิตยาความว่าข้าแต่พระมหาราชพระราชาของพวกข้าพระองค์ พระองค์ทรงจับได้ยากเหมือนม้าสินทบกับม้ากระจกพระองค์เป็นเหมือนคนขี่ม้ากระจกไม่อาจที่จะจับพระราชาของพวกข้าพระองค์ซึ่งเหมือนคนขี่ม้าอาชาในมีกำลังเร็วมโหสถแสดงว่าเกวตตะเหมือนม้ากระจกพระองค์เหมือนคนขี่ม้ากระจกข้าพระองค์เหมือนม้าสินทบมีกำลังเร็ว พระราชาของพวกข้าพระองค์เหมือนคนขี่ม้าสินทบคําว่าสเสด็จข้ามไปแล้วแต่วันวานนี้ตินโนหิโยความว่าพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าอมารข้าราชบริพารเสด็จข้ามน้ําไปแต่วันวานนี้แล้วมิได้สเสด็จหนีไปพระองค์เดียวเสียด้วยคําว่าติดตามอนุชวังความว่า ก็ถ้าพระองค์จักไล่ตามคือจักติดตามพระเจ้าวิเทหราชกาบินไล่ตามพญาหงทองจักตกในระหว่างนั่นแหลฉันใดพระองค์จักตกคือจักถึงความพินาศในระหว่างนั่นแลฉันนั้นมโหสถทูลดังนี้บัดนี้พระมหาสัตมิได้พรั่นพรึง่งประดุดพญาไกรสอนราชสีเมื่อจะนำอุทาหรณ์มาจึงทูลว่า สุนักจิ้งจอกทั้งหลายเป็นสัตว์ตำช้ากว่ามรึกเห็นดอกทองกวาบานในรัติการก็สำคัญว่าชิ้นเนื้อเข้าล้อมต้นอยู่ครั้นเมื่อราตรีล่วงไปแล้วพระอาทิตย์ขึ้นสุนักจิ้งจอกเป็นสัตว์ตำช้ากว่ามรึกเห็นดอกทองกวาบานแล้วก็หมดหวังฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงล้อมพระเจ้าวิเทหราช ก็จักทรงหมดหวังเสด็จไปเหมือนสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเห็นดอกทองกวาวฉันนั้นบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าเห็นทิศวานะได้แก่เห็นด้วยแสงจันคำว่าเข้าล้อมปริบยุนลหาความว่ายืนล้อมด้วยหวังว่าจากเคี้ยวกินชิ้นเนื้อแต่เช้าทีเดียวแล้วจักไปคำว่าล่วงไปแล้ว วิติวัตตาสุความว่าสุนักจิ้งจอกเหล่านั้นได้ยืนอยู่อย่างนั้นในราตรีใดใดเมื่อราตรีนั้นนั้นล่วงไปแล้วคำว่าเห็นทิสวาความว่าสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเห็นดอกทองกวาแต่เช้าทีเดียวรู้ว่านี้ไม่ใช่เนื้อก็หมดหวังพากันหนีไปคำว่าสุนักจิ้งจอกสิงคาลา ความว่าสุนักจิ้งจอกทั้งหลายล้อมต้นทองกวาวแล้วหมดหวังไปฉันใดแม้พระองค์ก็ฉันนั้นทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหาราชไม่มีในที่นี้ก็จักหมดหวังเสด็จไปคือจักพาเสนาหนีไปมโหสถแสดงดังนี้พระเจ้าจุลณีทรงสดับคำไม่พรั่นพรึงของมโหสถนั้นทรงคิดว่า บุตรคฤหบดีนี้เป็นคนกล้าเกินกล่าวแล้วมันคงให้พระเจ้าวิเทหราชเสด็จหนีไปแล้วโดยไม่ต้องสงสัยก็กลิ้วเหลือเกินทรงรำพึงว่าเมื่อก่อนพวกเราไม่เป็นเจ้าของแม้แห่งผ้าสาดกที่คาดคุงเราะมะโหสดบัดนี้ปัจจามิตรอยู่ในเงื้อมือของพวกเราแล้วมโหสดก็ให้หนีไป มโหสถเป็นคนทําความฉิบหายแก่พวกเรามากเนอเราจะทําโทษอันควรทํำแก่คนสองคนรวมแก่มโหสถนี้คนเดียวเมื่อจะสั่งลงโทษแก่มโหสถจึงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงตัดมือและเท้าหูและจมูกของมโหสถผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสียเจ้าทั้งหลายจงเสียบมโหสถ ผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสียในหลาวย่างมันให้ร้อนดุดย่างเนื้อฉะนั้นบุคคลแทงหนังโคที่แผ่นดินหรือเกี่ยวหนังราชสีหรือเสือโครงฉุดมาด้วยขอฉันใดข้าจักให้เจ้าทั้งหลายทิ่มแทงมโหสดผู้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของข้าซึ่งอยู่ในเงื้อมมือแล้วไปเสีย แล้วข้าเสียด้วยหอกฉันนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าย่างอาตับปังความว่าจงเสียบบุตรคฤหบดีนี้ในเหลาวย่างไฟเหมือนเสียบเนื้อมรึกเป็นต้นที่ควรย่างฉันนั้นคำว่าราชสีหรือเสือโครงสีหั ส, สะอัฐโผยักษคั ส, สะความว่าเหมือนอย่างว่า บุคคลเอาขอเกี่ยวหนังราชสีเป็นต้นชุดมาฉันใดจงทําแก่มะโหสดฉันนั้นคำว่าจักทิมแทงเวทยิศสามิได้แก่จักให้แทง